นิมิตเครื่องหลับเครื่องตื่นถามขณะใกล้หลับหรือเพิ่งตื่ น, น, นจะเห็นนิมิตหรือได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆบ่อยมากอยากทราบว่าจะเอาอะไรเป็นตัวชี้ว่าสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเป็นการติดต่อมาจากภายนอกจริงๆหรือว่าเราอุปาทานไปเอง ตอบมาตกลงกันก่อนครับว่าประสบการณ์จริงกับประสบการณ์เท็จต่างกันอย่างไรหนึ่งประสบการณ์จริงคือประสบการณ์ที่เราเป็นตัวของตัวเองมีจิตสำนึกตื่นเต็มสามารถรับรู้ได้อย่างแจ่มชัดว่ามีรูปอันใดกระทบตามีเสียงอันใดกระทบหูมีกลิ่นอันใดกระทบจมูกมีรสอันใดกระทบลิ้น มีสัมผัสอันใดกระทบกายตลอดจนมีความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้ความนึกคิดความชอบชังอันใดปรากฏอยู่กับใจตนเองสำหรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นต้องเป็นสิ่งมีตัวตนอยู่จริงที่ภายนอกตัวเราส่วนสุขทุกข์ความจำได้ความนึกคิดแล้วความชอบชังต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ภายในของเราเอง ในชีวิตประจำวันของคนปกติธรรมดาเราๆท่านๆเมื่อมองไปที่คนใกล้ตัวหรือสมบัติชิ้นใดในบ้านก็จะระลึกได้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและสําคัญกว่านั้นคือความปรากฏตัวชัดคงเส้นคงวามองเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นฟังเมื่อไรก็ได้ยินเมื่อนั้นสูดดมเมื่อไรก็ได้กลิ่นเมื่อนั้นลิ้มรสเมื่อไร ก็รู้รสเมื่อนั้นจับต้องเมื่อใดก็รู้สึกเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าโผล่มาอย่างปราศจากเขาเงื่อนและปฏิรูปเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว 2. ประสบการณ์เท็จคือประสบการณ์ที่เราขาดความเป็นตัวของตัวเองไม่มีจิตสำนึกเต็มตื่น หลงรู้เห็นอะไรไปเองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นของภายนอกตัวเราหาได้มีอยู่จริงไหมเราสำคัญไปเองว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสเมื่อสัมผัสแล้วก็เกิดความสุขหรือทุกข์เกิดความจำได้หมายรู้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เกิดความนึกคิดโต้อตอบและเกิดการตัดสินว่าชอบหรือชังได้ กล่าวโดยย่นย่อคือความสำคัญผิดเท่านั้นที่เกิดขึ้นจริงนอกนั้นเป็นเท็จทั้งสิ้นในชีวิตปกติของมนุษย์ทั้งหลายยามหลับเป็นเวลาแห่งประสบการณ์ที่แตกต่างผู้คนและเหตุการณ์ผุดขึ้นให้รับรู้โดยไม่จำเป็นต้องมีการอารามผบทโหมโรงจะเห็นก็เห็นเลยจะได้ยินก็ได้ยินเลย กับทั้งไม่แน่ไม่นอนว่าจะกลับไปเห็นกลับไปได้ยินอย่างไรเมื่อภาพเสียงและสัมผัสทั้งหลายหายไปแล้วด้วยความเหลวชนิดจับต้องไม่ได้ของความฝันนี่เองจึงทําให้ความฝันและวิธีเห็นที่คล้ายคลึงกับความฝันทั้งหลายถูกมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไปทั้งหมดกล่าวโดยย่นย่อ ตามความรับรู้ของคนทั่วไปอะไรที่ไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูถือว่าเป็นเท็จหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นเท็จได้มากกว่าจริงและส่วนใหญ่ความเชื่อเช่นนี้ก็มักถูกต้องเพราะโดยมากความฝันของคนเราบิดเบี้ยวและแม้คนที่อ้างว่านั่งทางในสามารถรู้เห็นอดีตปัจจุบันอนาคตก็มักพูดผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกินกว่าครึ่ง ฉะนั้นเมื่อจูจ่ๆคุณได้ยินเสียงกระซิบหรือเห็นนิมิตขณะเครื่องหลับเครื่องตื่นแนวโน้มจึงใกล้ความเป็นเท็จมากกว่าใกล้ความเป็นจริงและไม่น่าแปลกใจหากจะบอกว่าเสียงกระซิบที่คุณได้ยินอาจเป็นเพียงคลื่นความคิดที่ตกค้างอยู่ในหัวของคุณเองและนิมิต ท, ทั้งหลายอาจเป็นเหมือนภาพฝันตกค้างที่แจ่มชัดเป็นพิเศษ แม้แต่พวกฝึกสมาธิเพื่อนั่งทางไหนยังจำแนกผิดบ้างถูกบ้างนี่คุณไม่เคยฝึกอะไรถึงขั้นไหนก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะด้วยตนเองว่าอันใดจริงอันใดเท็จอย่างไรก็ตามทางพุทธเราไม่ปฏิเสธความมีอยู่จริงของรูปอันเป็นทิพย์เสียงอันเป็นทิพย์กลิ่นอันเป็นทิพย์ รสอันเป็นทิพย์และสัมผัสอันเป็นทิพย์ซึ่งล้วนเป็นของภายนอกตัวเราหาใช่ยอมรับแต่เพียงรูปเสียงเปลี่ยนรสและสัมผัสทิพปกติที่รับรู้ได้ด้วยประสาทหยาบในกายมนุษย์ฉะนั้นการพบกับอะไรที่รู้ไม่ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายปกติมิใช่แปลว่าเป็นประสบการณ์เท็จเสมอไปอาจจะเป็นประสบการณ์จริงก็ได้ จะดูว่าอะไรจริงอะไรเท็จจึงต้องตัดสินกันด้วยคุณภาพของจิตผมขอจำแนกระดับความสามารถในการรับรู้ตามจริงออกเป็นต่างๆดังนี้ 1. ขณะใกล้หลับคือประสบการณ์ทั่วไปยามง่วงไม่ต้องฝึกจิตแต่อย่างใดก็มีกันทุกคนระดับนี้จิตมีกำลังอ่อนสุด รับรู้ตามจริงได้น้อยที่สุดหรืออีกในหนึ่งพร้อมจะรู้เห็นอะไรก็ได้ที่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนและไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือความรู้สึกเป็นสุขอ่อนๆด้วยสภาพเคลิ้มของจิตส่วนความหมายรู้หมายจำอาจชัดหรืออาจพร่าเลือนเอาแน่เอานอนไม่ได้ 2. ขณะทำสมาธิได้ครึ่งๆกลางๆคือประสบการณ์ของผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกสมาธิมีความสงบสุขบ้างแล้วแต่ยังล้มลุกคลุกคลานตั้งมันได้เพียงสองสามอึดใจแล้วกลับฟุ้งซ่านวกวนระดับนี้จิตยังมีกำลังอ่อนอยู่แต่ก็เหนือกว่าขณะใกล้หลับเพราะมีฐานกำลังสมาธิทำให้จิตสว่านิดหน่อย ความสว่างหนักแน่นเล็กน้อยอันเป็นเศษสมาธินั้นเอื้อให้เห็นนิมิตได้แบบฝันเพียงแต่จะแจ่มชัดสดใสดูเป็นจริงเป็นจังกว่ากันบ้างแล้วกลับพลาเเลือนอย่างรวดเร็วเหมือนโทรทัตเจอคลื่นแทรกบ่อยบ่อย 3. ขณะลืมตาเต็มตื่นคือประสบการณ์ของคนทั่วไป ที่ไม่หดหูง่วงเหงาหรือฟุ้งซ่านรำคาญใจระดับนี้ก็ประมาณเดียวกับที่คุณกําลังอ่านหนังสืออยู่นี่แหละคุณสามารถเลือกที่จะปลายตาดูเงี่ยหูฟังภาพเสียงรอบตัวตามต้องการแต่ก็จะมีผวังไม่รู้สึกตัวความฟุ้งซ่านความเมื่อลอยหรือความซึมเศร้าเกิดแทบเป็นระยะระยะไม่อาจบังคับให้รับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ภาวะที่จิตผูกกับประสาทหยาบเช่นนี้ไม่เอื้อให้เห็นภาพนิมิตใดๆเป็นเรื่องเป็นราวอาจมีพวกจิตตกรนักประพัน์หรือเหล่านักมกรุกที่งานบีบให้ฝึกเห็นภาพในหัวบ่อยๆเทว่าก็ไม่ถึงขนาดเทียบประสบการณ์ยามฝันที่เห็นสีสันผูกกันเป็นเรื่องราวชัดเจนสี่ ขณะทำสมาธิได้ตั้งมั่นเฉียดชานคือประสบการณ์ของผู้ผ่านชั่วโมงบินในการฝึกสมาธินานพอจะเกิดจิตตั้งมั่นสว่างคงเส้นคงวาปีติสุขเย็นซ่านยับยั้งอยู่ในรถวิเวกได้หลายนาทีโดยไม่กระสับกระส่ายล้มล้มลุกๆระดับนี้จิตมีกำลังแข็งแรงแล้วและเหนือกว่าจิตสำนึกขณะลืมตาตื่น เป็นที่ตั้งของนิมิตได้ดีกว่ายามหลับกับทั้งไม่ต้องโดนยั่งพื้นที่ด้วยภาพเสียงนอกตัวจะมีก็เพียงวูบความคิดประรอกอ่อนๆบ้างเป็นระยะแต่ไม่ซัดเป็นพายุบุแคมเหมือนความฟุ้งซ่านปกติความมีสติรู้อย่างคงเส้นคงวาจะทำให้เกิดประสบการณ์ทางจิตอีกระดับหนึ่งที่เหมือนรู้ได้ชัดเจนตามจริง ยิ่งกว่าขณะกำลังลืมตาเต็มตื่นฉะนั้นเมื่อเกิดนิมิตใ ด, ดในมโนโทวารจึงดูน่าเชื่อถือยิ่งและความจริงก็มีอยู่ว่าการยังรู้อดีตอนาคตตลอดจนการเชื่อมต่อสื่อสารกับวิ ญ, ญญาณต่างมิติล้วนทำกันได้ก็ด้วยจิตระดับนี้หขณะทำสมาธิได้ตั้งมั่นถึงฌาน คือประสบการณ์ของผู้ผ่องแผ้วจากความคิดในกามความคิดในพยาบาทความฟุ้งซ่านความหดหูและความตรึกนึกสงสัยไปต่างๆจิตตั้งมั่นเด่นดวงเหมือนพระอาทิตย์ที่แผดรัศมีได้เต็มวงโดยปราศจากมวลทินแปดเปื้อนแม้แต่น้อยเพราะแม้แต่ตัวตนทางความคิดก็หายไปจิตประดับนี้เหมาะสาหรับสัมผัสความจริงขั้นสูงสุดคือนิพพาน อานพ้นไปจากจินตนาการพ้นไปจากนิมิตและพ้นไปจากการคาดคะเนทั้งหลายแต่โดยมากผู้ที่เข้าถึงฌานจะขาดตัวตั้งคือวิธีดูความไม่มีตัวตนของจิตจึงเอาแต่สงบนิ่งสวยร้สุขแห่งฌานอยู่เฉยๆครึ่งฉลาดครึ่งโง่ไม่ฉลาดถึงที่สุดขนาดทะลุกรอบจำกัดของกายใจไปรู้จักนิพพานได้ จะเห็นว่าเมื่อกล่าวถึงคุณภาพจิตระดับที่ตื่นเต็มพร้อมรับรู้ความจริงนั้นยังมีต่ำมีสูงกว่ากันอยู่เช่นเมื่อใดที่ใครมีประสบการณ์ทางจิตระดับชาญเขาจะได้นิยามใหม่ของคำว่าเต็มตื่นไปเป็นคนละเรื่องสรุปคำตอบของคุณนะครับคือถ้าจะให้แน่ใจว่าคุณเห็นรูปทิพเสียงทิพหรือนิมิตภาพเสียงในฝันธรรมดา คุณก็ควรจะมีระดับจิตที่ตื่นเต็มพร้อมรับรู้ความจริงเหนือกว่าการรับรู้ด้วยหูตาธรรมดาเหนือกว่าการรับรู้ด้วยสมาธิครื่งๆกลางๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือกว่าการรับรู้ขณะง่วงงุลใกล้หลับผมไม่ปฏิเสธที่วิญญาณจะพยายามติดต่อส่งสารมาถึงคนใกล้หลับได้ เพราะสภาวะจิตใกล้หลับเอื้อต่อการรับรู้นิมิตภาพเสียงทุกวันมีเรื่องราวของคนเพิ่งตายย้อนกลับมาลาคนเป็นในฝันใกล้รุ่งเยอะแยะแต่ประเด็นก็คือคุณไม่มีทางรู้ด้วยจิตเครื่องหลับเครื่องตื่นหรือจิตขณะลืมตาตื่นตามปกติว่าสิ่งที่เห็นหรือได้ยินนั้นของแท้หรือของเทียมกันแน่ แปลกแต่จริงคือบางคนจะเชื่อในประสบการณ์ที่รับรู้ขณะที่จิตตัวเองมัวมนมากสยยิ่งกว่าตอนกำลังลืมตาตื่นอยู่สอีกหลายคนเหมือนเพี้ยนไปเพียงเพราะยึดมั่นถือมั่นเกิดอุปาทานไปว่าตนอยู่ในสองโลกปล่อยให้ความจริงภายนอกกับความเท็จในฝันตะบนกัน กระทั่งมีอิทธิพลใหญ่กับการดำเนินชีวิตคือแทนที่จะตัดสินใจไปบนพื้นฐานของความจริงกลับเอาคำพยากรณ์ของเทวดาในฝันมาเป็นหลักตั้งหากยังอยากจะเต็มใจยอมรับนิมิตฝันมากกว่าความจริงเฉพาะหน้าผมอยากให้คุณตั้งคำถามกับตนเองง่ายๆในขณะเกิดนิมิตอย่างนี้ครับหนึ่ง แยกแยะได้ถูกไหมว่ากำลังสุขหรือทุกข์เพียงใดหากไม่เป็นสุขมากนักแปลว่าใจยังไม่สบายเท่าที่ควรเมื่อใจไม่สบายก็แปลว่าคุณภาพยังต่ำเกินกว่าจะเชื่อถือหรือทึกทักเอาจริงเอาจังอะไร 2. ความจำได้หมายรู้มีความคงเส้นคงวานานแค่ไหนหากทราบชัดว่าบุคคล ที่กำลังปรากฏอยู่ในการรับรู้มีที่มาที่ไปอย่างไรสือหาหลักฐานในโลกความเป็นจริงได้ว่ามีความสมพันธ์กับคุณแบบไหนมาก่อนอันนั้นค่อยเป็นประกันระดับหนึ่งว่าจิตของคุณไม่เพอพกไปเองขอแถมเพิ่มเติมหน่อยนะครับหากคุณศึกษาให้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนาว่าด้วยการรู้ตามจริง เท่าทันธรรมชาติของจิตและกรรมวิบากวันหนึ่งคุณจะทราบว่าใดๆล้วนเป็นเท็จทั้งสิน้นสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมีอันต้องเลอะเลือนไปเป็นธรรมดาควรกล่าวว่าเป็นเท็จลองมองกวาดไปทั้งโลกเถอะมีอะไรบ้างที่เข้าข่ายเป็นเท็จขนาดเงาในกระจกของคุณยังเป็นเท็จเลย แม้จะต้องพิสูจน์ความเป็นเท็จของมันหลายปีหน่อยก็เถอะสิ่งที่คุณสัมผัสได้ด้วยหูตาทุกวันนี้ยืนพื้นอยู่บนความสามารถของจิตสํานึกที่มีสติตื่นเต็มธรรมดาต่อเมื่อวันหนึ่งคุณยกระดับจิตให้ถึงฌานอันประกอบด้วยซูเปอร์สติวันนั้นคุณจะมีเสธิ์เห็นความจริงขั้นสูงสุด ที่มีความตั้งมั่นถาวรไม่เลอะเลือนไปที่เรียกว่านิพพานอันพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีจริงและเป็นของจริงเพียงหนึ่งเดียวครับ